เมื่อวานญาติโยมหนีวันเสาร์อาทิตย์มากันวันศุกร์เต็มป่องเมื่อวานตอนเช้าขึ้นมารถก็เข้ามาเต้แลนะ้หีหนีเสาร์อาทิตย์คือตอนนี้คนญาติโยมเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะหลวงพ่อไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงไม่เหมือนรุ่นก่อนก่อน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 ไม่ต้องรีบจำจำจำจะไปให้ถึงเร็วเร็วเส้นทางสายนี้แปลกนะยิ่งวิ่งยิ่งไม่ทำนะเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้ให้ครอเงานะยิ่งเราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วด้วยแต่ถ้าเราหยุดมันหยุดนะเมอมันหยุดนี่เรามือสัมผัสต่ตอหน้าต่อตาเมื่อไรจิตหยุดความปรุงแต่งแล้วเราก็จะสัมผัสนิพานต่อหน้าต่อตามั้งเลไม่ต้องไปดิ้งหาเลยอยู่ที่หยุดให้ได้นะ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 มันไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิแต่มันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาเลื่อนผ่านไปทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมีปัญญาเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้นี่ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความสุขเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะน่าดีใจเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมันก็หลุดมือไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องคขมขวนความทุกข์อยู่ชั่วค ร, ราวเดี๋ยวความทุกข์ก็ไป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 วันหนึ่งเราก็ต้องการสิ่งนี้วันหนึ่งเราต้องการอีกอย่างหนึ่งใจเราไม่คงที่ใจคนอื่นก็ไม่คงที่ในถ้ำกลางความไม่คงที่ในรุวนแต่หาสาระแก่นสารไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีสาระแก่นสารท่านบอกท่านสอนสิ่งที่มีประโยชน์สอนให้เราแยกได้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นอกจากมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรสมควรแก่เรา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 อาเชิญคุณมาลีไหนๆก็มาอยู่แล้วขอาการหลวงก็เจ้าค่ะวันนี้ก็สิ้นปีปิดบัญชีชีวิตที่ผ่านมาเจ้าค่ะ mm hmm. มาเช้านั่งรถมาก็ทบทวนการภาวนาของตัวเองในปีนี้ทั้งปี mm hmm. ก็รู้ว่ากายเราเองก็เปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนไปมากเลยเจ้าค่ะเมื mm ่อ hmm. ก่อนที่ภาวนาเนี่ยจะมีความรู้สึก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 แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกเนี่ยจะไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องแปลกนะคนที่หนีทุกข์นะยิ่งเจอความทุกข์คนที่เรียนรู้ทุกข์นะกลับพ้นทุกข์นั้นธรรมะของพระพุอผู้จ้านี่อัศาจรรย์มากศึกษาแนละ้วเราจะพ้นทุกข์เป็นลําดับลําดับไปหลวงพ่อเองไม่ได้สนใจใครจะเอาอามิตรบูชามาให้ไม่ให้นะอของส่วนเกินส่วนอะนี่ส่งไปที่ส่งไปช่วย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 แม่หลวงปู่นี่เดินจงกรมแบบไหนเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยมือควรจะไว้ตรงนี้หรือมือควรจะไว้อย่างนี้ดีนึกนะหลวงปู่ <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อเข้าใจละพ่อแม่สอนให้เดินท่าไหนก็เดินเป็นท่านั้นแหล ะ, ะมันเดินดนืกว่ามีสติต่างหากไม่ใช่อยู่ที่ท่าทาง